เรื่องสัพพันญูจากผลงานเขียนของอาจา ร, รพ ร, รรัตนสุวรรณหนังสือเรื่องสัพพันญูนี้อาจา ร, รพรได้เขียนขึ้นจากการศึกษาคนา้นคว้าจากคำภีร์พระไตรปิฎกและอัธกถ า, าดีกาต่างๆเป็นอันมากเพื่ออธิบายเรื่องสัพพันญูอย่างละเอียดละออและเท่าที่ทราบก็ปรากฏว่า เรื่องนี้ยังไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนเรามักจะพูดกันแต่เพียงว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันยูหรือเป็นพระสีสันเพชแต่ก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าพรงทรงเป็นสัพพันยูอย่างไรและเป็นได้เพราะอะไรและเรื่องที่ว่าเป็นสัพพันยูคือทรงรู้อะไรทุกอย่าง แม้กระทั่งเรื่องที่ไม่เคยทรงรู้ทรงเห็นมาก่อนไม่เคยศึกษามาก่อนก็ทรงสามารถที่จะรู้ได้นั้นเรื่องนี้เป็นจริงแค่ไหนแต่ส่วนมากก็ไม่เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสามารถรู้อะไรต่างๆได้ทุกอย่างจริงๆที่ว่าพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างนั้นก็จะเชื่อกันแต่เพียงว่าพระองค์ทรงรู้ธรรมทั้งปวง หรือทรงรู้หลักธรรมในาศาสนาทุกอย่างและทรงรู้เรื่องอื่นๆก็เฉพาะในเรื่องที่พระองค์เคยทรงเล่าเรียนมาเท่านั้นเช่นเรื่องศิลปศาสตร์สิบแปดอย่างซึ่งพระองค์เคยทรงเรียนมาในสมัยที่ยังเป็นคารวาสและเรื่องอื่นๆที่พระองค์ทรงได้ยินได้ฟังจากคนนั้นคนนี้เท่านั้น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 นี่คือความเชื่อของท่านผู้รู้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันซึ่งเมื่อก่อนข้าพาเจ้าก็เคยมีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันแต่มาในสมัยปัจจุบันภายหลังจากที่ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องอภินยาจา ก, กระทั่งได้เขียนออกมาเป็นเล่มซึ่งได้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน2526 และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือภายหลังที่ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากบรรดามวลเหล่าเทพเทวาที่เป็นโอปปะติกะทั้งหลายมาเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า20สิกว่าปีนั้นได้เริ่มเปลี่ยนความเชื่อที่เคยมีมาแต่ก่อนทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งในที่สุดก็มีความเชื่ออย่างสนิท มีความเชื่ออย่างมั่นคงมีความเชื่ออย่างชนิดที่มีมีทางจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นได้เลยว่าพระองค์ทรงเป็นสรพพันธ์อูหรือทรงเป็นพระสีสันเพชรอย่างแน่นอนคือพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีอะไรติดขัดสิ่งใดที่พระองค์มีพระประสงค์จะรู้แล้วก็เป็นอันรู้ได้ทุกอย่าง พระองค์ทรงมีอภิติหัตยานอนาวรยานอย่างแน่นอนอภิติหัตยานแปลว่ายานที่ไม่มีอะไรติดขัดอนาวรยานยานที่ไม่มีอะไรกัน้นซึ่งยานทั้งสองก็คือลักษณะของสัพพ اني ยุตยานนั่นเองอันหนึ่งเรื่องสัพพ اني ยูนี้ถ้าหากข้าพระเจ้าจะเขียนจากความเชื่อ และความเข้าใจของตนเองฝ่ายเดียวโดยไม่ได้อ้างหลักฐานที่มาจากในคำพีแล้วหรือถ้าจะเขียนแบบหนังสือวิทยานิพนธ์ที่นิยมเขียนกันในปัจจุบันคือเพียงแต่อ้างว่าหนังสือที่ใช้ประกอบในการเขียนนั้นมีหนังสืออะไรบ้างแล้วก็พิมพ์ไว้ท้ายเล่มบบิโอกราฟี เช่นนี้ก็จะได้หลักฐานไม่ชัดเจนผู้ที่สงสัยว่าข้อความอันนี้อ้างมาจากที่ไหนก็ยากต่อการที่จะไปค้นหาและโดยวิธีนี้หนังสือก็จะมีคุณค่าน้อยลงคือผู้อ่านจะไม่แน่ใจว่าที่อ้างมานั้นอ้างมาถูกหรือเปล่าฉะนั้นสำหรับหนังสือเรื่องสัพพันญู ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องการหลักฐานชัดเจนจากที่มาในคำพีจึงได้บอกไว้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนและในที่บางแห่งก็จำเป็นต้องอ้างข้อความที่เป็นภาษาบาลีมาไว้ให้ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่รู้ภาษาบาลีจะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องว่า ข้อความที่อ้างมาและแปลไว้ให้ด้วยนะั้นถูกต้องหรือไม่โดยวิธีนี้หนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือไม่ตายใช่เป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับศึกษาได้อย่างมั่นใจว่าอันไหนเป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จริงๆอันไหนเป็นข้อความที่พระอรหันต์องค์ไหนกล่าวหรือเป็นภาสิทธิ์ของใคร เพราะแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองก็ยังต้องอ่านหนังสือที่ตนเองเขียนนี้ บ, บ่อยๆพิจารณาข้อความนั้นๆ บ, บ่อยๆโดยเฉพาะข้อความที่อ้างมาจากในคำภีโดยส่วนตัวข้าพเจ้ามีปีติสมนัสเป็นอย่างยิ่งซึ่งในบางครั้งอ่านไปใคร่ครวนไปพร้อมกับมีน้ำตาไหลซึม ถึงกับต้องเช็ดน้ําตาออกบ่อยๆเพราะความมีศรัทธาประสาทะในองค์สเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้เป็นองค์สัพพันญูและรู้สึกว่าการที่ตนเองได้เกิดมามีโอกาสได้เข้ามาบวชเรียนในทางพุทธศาสนาจนกระทั่งมีความรู้อย่างนี้ รู้สึกเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงยิ่งเพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าบรรดาความรู้ต่างๆที่เรียนรู้กันในสมัยปัจจุบันนั้นถึงจะมีคุณค่าสูงมีประโยชน์อย่างมากมายสักเพียงไรก็ตามนั่นก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับการได้เรียนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เพราะจะหาใครที่ไหนในโลกนี้ หรือในโลกไหนไ ห, นหรือในสมัยไหนๆก็ตามผู้เป็นครูประสิทธิ์ประสายความรู้ต่างๆให้แก่เราทั้งหลายนั้นจะมีใครที่มีคุณลักษณะทัดเทียมกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แม้เพียงหนึ่งในร้อยในพันในหมื่นในแสนหรือในล้านๆแห่งคุณลักษณะของพระองค์ก็เทียบไม่ได้เลย สมกับที่พระองค์ได้ตรัสครั้งแรกกับอุปการชีวกในเมื่ออุปกาชีวกได้ทูลถามว่าดูกระอาวุโสอันวักกายินสีของท่านนี้งามพร้อมบริสุทธิ์ชวีวันก็ผ่องขุดพิลาชปราศจากราคีท่านนี้มีนามชื่อใดบรรพชาเฉพาะสำนักผู้ใดใครเป็นครูของท่าน ท่านได้เล่าเรียนธรรมในสำนักอาจารย์ผู้ใดจงแจ้งแก่อาตมาในลำดับนั้นพระควันตามุนีมีพระกะมลปราถนาจาักแสดงเหตุซึ่งภาวะแห่งพระองค์เป็นครูแห่งมูอมอนมนุษยนิกรสัตว์โรคทั้งปวงแก่อุปการชีวกให้แจ้งก็เปลงออกซึ่งพระสุรเสียงอันไพเราะกรอบด้วยองค์แปดประการ ปานประดุดเสียงแห่งเท้ามหาพรหมมีพระพุทธดีกาดำรัสโดยสารพระาถาแก่อุปกาชีวกว่าสัพาพิภูสัพพาวิทูหัมัสมิเป็นอาธิอาธิบายความว่าดูราอาชีวกตถาคตนี้มีกวลสันดานไม่ได้ติดระคนอยู่ในกิเลสธรรมทั้งปวง ละเชได้ซึ่งกองบาปประทำทั้งสิ้นแล้วศูนย์ซึ่งตันหาอุปาทานแคลครอบงามเสียซึ่งสรพรพสัตว์ทั้งหลายในตรายพบตรัสรู้จบในสรพพญายธรรมด้วยพระองค์เองดังรือจบะบรรพชาเฉพาะสำนักผู้ใดเล่าแคลครูอาจารย์ของตถาคตนี้ได้มีตถาคตนี้ ประดับด้วยทศอราหาัี่คุณอดุลยเลิศดโลกแต่ผู้เดียวตรัสรู้ซึ่งพระสัพพัญยุตยานโดยอาการอันชอบมิได้วิปริตบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งทั่วทั้งทิศในมนุษยโลกกับทั้งเทวโลกจักประเสริฐเปรียบเสมือนด้วยตถาคตมิได้มีและตะถาคตนี้มีสันดาณอันเย็น พรำงับดับแล้วซึ่งกิเลสาดูลเดือดร้อนบัดนี้จะบททจรไปสู่แว่นแค้นกาลิงขราชประสงค์จะแสดงพระธรรมจั ก, กรคเทศนาจะตีอมตะเพรีให้บรรลือแก่นิกรประชาคณาสัตว์อันมืดมนอยู่ด้วยขายอวิชาให้กระจ่างแจ้งเห็นพระนิพพานธรรมในครั้งนี้ เมื่ออุปกาชีวกได้สดับพุทธวาทีดำรัสดังนั้นก็มีจิตพิสวงจึงดำริว่าพระสมณะองค์นี้เจรจาเป็นมัทุรกถาไพเราะยิ่งนักทั้งมีคุณวุฒิธรรมก็มากรูปก็งามเสียงก็เพราะหาผู้จะเสมอมิได้ก็มีจิตเลื่อมใสสมณะจินดีจึงกล่าววาจาว่า ข้าแต่อวุโสท่านกล่าวปฏิญญาณตนว่ากรอบด้วยคุณดังนี้ข้าพเจ้าก็เห็นจริงด้วยแล้วควรที่ท่านจะได้นามว่าอานาันตชีนะพระจนเสียซึ่งหมู่มารทั้งหลายจะนับประมาณมิได้ให้พ่ายแพ้เมื่อสมเด็จพระสัพพันยูได้ทรงสะดับคำอาชีวกกล่าวดังนั้นพระฮรือไทยปรารถนาจะประทับ ซึ่งวาจาแห่งอาชีวกให้มั่นด้วยตรากล่าวคือพระคาถาพุทธอุท า, านปานพระหนึ่งตราแห่งพญาธรรมมิกราชอันตีประทับลงในดินอันประจำพันึกพระราชสารก็มีพุทธบัญหารโดยสารพระคาถาว่ามาที่สาวาชินาโหรติเป็นอาชิอธิบายความว่า ดูราณะอาชีวกบุคคลทั้งหลายใดที่ถึงซึ่งอาสวะไขาในโลกนี้แหละบุคคลทั้งหลายนั้นจะได้ผจญชนะสัตว์โลกสิ้นทั้งปวงเหมือนดุดตถาคตไม่ได้มีตถาคต น, นี้ผจญสับประรรัตรตวโลกและกองกิเลสบาปธรรม ท, ทั้งหลายทั้งสิ้นเหตุดังนั้น สมควรจะได้นามบัญญัติว่าอานันตชินะดุดคำท่านเจรจาเป็นแช้เมือ่อปกาชีวกได้สดับพระพุทธฎีกาก็ตอบว่าข้าแต่วุโสจริงดังนั้นแล้วก็สันศีษะกล่าวพระคุณานุภาพหลีกไปจากมคานานบทจรไปหนทางอื่นสมเด็จพระบรมครู มีพระพุทธดีกาตรัสกับอุปการชีวกเท่านั้นพอเป็นอุปนิสัยในเบื้องหน้าแล้วก็เสด็จพระพุทธดำเนินในมัคคาโดยอนุกรมลำดับพอสายันหาเวลาก็บรุถึงป่าอิสิ ป, ป ต, ตนะมรุกขายวันข้อความที่อ้างมานี้ได้คาดมาจากหนังสือปฐมมสมโพธ์ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ ของสำเด็จกรมพระประมาณุชิตธิโนรถและข้อความอันเดียวกันนี้ก็ได้นำมาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยและขอได้โปรดสังเกตไว้ด้วยว่าถ้าพิจารณาจากข้อความในพระไตรไปิฎกหรือจากคำพีอัตถกถฐา น, านั้นคำว่าสันทิสะหมายความว่าเป็นกริยาแสดงว่าไม่เห็นด้วย แต่จากสังนวนในปฐมมสมโพธิ์มีคำว่าสันีิษาหมายความว่าเห็นด้วยซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันพระเวลาสนทนากับแขกหรือคนอินเดีย น, นั้นถ้าเขาแสดงคิริยาสันีิษาไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธหรือไม่เห็นด้วยแต่มีความหมายว่าเห็นด้วยหรือชอบใจ ซึ่งถ้าแปลความหมายเช่นนี้ก็จะสมกับเนื้อเรื่องในตอนต่อไปที่ว่าในที่สุดอุปการชีวคนนี้ก็ได้เข้ามาบวชเป็นพระพิสุในพุทธศาสนาและได้สำเร็จมรรคผลด้วยจากหลักฐานที่อ้างมานี้จะเห็นได้ชัดว่าตามความเชื่อถือของนักปราชญ์ในทางพุทธศาสนาสมัยโบราณ เช่นอย่างสงเด็จกรมพระประมานุชิตชิโนรสนั้นท่านเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันธ์อยู่นั้นคือพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างจริงๆโดยไม่มีขีดจํากัดไม่มีอะไรมาขัดขวางได้เลยเมื่อพระองค์มีพระประสงค์จะรู้อะไรแล้วเป็นอันว่าทรงรู้ได้ทุกอย่างข้าพเจ้าก็มีความเชื่อเช่นนี้ จึงได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาและเพื่อต้องการให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือตำราที่ไม่ตายใช้เป็นหนังสืออ้างอิงได้ด้วยด้วยความมั่นใจว่าไม่ผิดแน่นอนจึงได้นำหลักฐานจากในพระธรรมทีมาอ้างไว้ทุกขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วในที่สุดนี้หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้ยังสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้าที่ว่าทรงเป็นสัพพันยู น, นันมีความหมายอย่างไรแน่และแล้วท่านก็จะเกิดศรัทธาประสาทะในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งเหมือนอย่างนักปราชญ์ในสมัยโบราณฉะ น, นั้นพรรัตนสุวรรณ8มกราคม2530 เรื่องสัพพัญยูความหมายของคําพระพุทธเจ้าได้ทรงมีพระนามอย่างหนึ่งว่าเป็นสัพพัญยูซึ่งคํานี้ตามศัพท์แปลว่าเป็นรู้รู้สิ่งทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงคือรู้เรื่องราวในทางาศาสนาเท่านั้นไม่ได้หมายถึงรู้เรื่องอื่นๆในทางโลกด้วยเช่นเรื่องวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างที่รู้กันอยู่ในปัจจุบันเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเครื่องจักรกลต่างๆรวมทั้งเรื่องยานอวกาศเรื่องโลกเรื่องจักรวาลเรื่องประวัติศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นคือแปลว่าเรื่องใดถ้าพระองค์ไม่เคยทรงเรียนรู้มาก่อนก็ไม่อาจจะรู้ได้เหมือนกันคำว่าสับพันอยูจะมีความหมายจำกัด เพียงแค่รู้แจ้งทำทั้งปวงคือรู้ถึงเรื่องราวต่างๆในทางศาสนาเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆในทางโลกดังที่กล่าวมานั้นจะทรงรู้ก็เฉพาะในเรื่องที่เคยเรียนมาก่อนหรือเคยฟังมาก่อนจากคนอื่นคาว่าสับพันญู่จะมีความหมายจากัดดังที่กล่าวมานี้หรือจะมีความหมายถึงรู้เรื่องทุกอย่าง แม้เรื่องที่ไม่เคยเรียนรู้จากใครมาก่อนก็สามารถที่จะรู้ได้ถ้าหากพระองค์มีพระประสงค์ที่จะรู้คำว่าสับพันญูจะพึงมีความหมายอย่างไรแน่น้นก็ขอให้ศึกษาเรื่องนี้จากพระสูตรดังต่อไปนี้ก่อนไม่ได้เป็นสับพันญูทุกขณะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาในป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีก็ครั้งนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จเข้าไปยังอารามของปริพาชกผู้หนึ่งชื่อว่าวัชชาซึ่งเวลาที่พระองค์เสด็จไปนั้นเป็นเวลาเช้าก่อนที่จะเสด็จไปบินธบาต และการที่พระองค์เสด็จเข้าไปที่อารามนี้ก่อนก็พระทรงเห็นว่าเวลาอย่างช้านนกครั้งเสด็จเข้าไปถึงวัดฉะปริภาชกซึ่งได้เห็นมาแต่ไกลแล้วก็ได้เชิญให้พระองค์เสด็จเข้าไปประทรับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนตนเองนั่งบนอาสนะที่ต่ำกว่าแล้วได้กลาบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมเป็นสัพพันยูรู้ทุกอย่างมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิ ญ, ญาณทัศนะไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีหลับก็ดีตื่นก็ดีญาณทัศนะย่อบรากฏแก่เราเสมอ ติดกันไปไม่ขาดสายคือเป็นสัพพัญญูทุกขณะทุกอิริยาบทข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนที่กล่าวว่าพระสมณะโคโดมเป็นสัพพัญญูทุกขณะทุกอุรยาบทดังที่กล่าวมานี้เป็นการกล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้จริงหรือคนเหล่านี้ไม่ได้กล่าวตู่พระองค์ ด้วยถ้อยคาที่ไม่เป็นจริงหรือหรือว่าเขาเหล่านั้นได้กล่าวถูกต้องแล้วดูก่อนวัชชะชนที่กล่าวว่าทัสมนาโคโดมเป็นสัพพัญญูทุกขณะทุกอิรยาบทดังที่ท่านได้ยินมาน้นเขาไม่ได้กล่าวตามคำที่เราได้กล่าวไว้เขากล่าวตูเราด้วยถ้อยคาที่ไม่เป็นจริง เป็นสัพพันยูเพราะได้วิชาสามดูก่อนวัชชะเมื่อบุคคลพยากรณ์ว่าพระสมณะโคดมเป็นเตวิชชะผู้ได้วิชาสามดังนี้แลจึงจะเป็นอันกล่าวตามคำที่เราได้กล่าวไว้ชื่อว่าไม่กล่าวตูเราด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงดูก่อนวัชชะก็เราเพียงต้องการเท่านั้น ย่อมจะระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้หนึ่งชาติว่างสองชาติว่างสมชาติว่างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติว่างสสบชาติบ้า40ี่สิบชาติบ้างห้สิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัติกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัติกับวิวัติกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพนนเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคษอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนนแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นคราจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นนานมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี้ดูก่อนวัชชา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 เป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื้อหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนวัชชะเราทำให้แจ้งแล้วซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้พระอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่ง ด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ดูก่อนวัชชะเมื่อบุคคลพยากรณ์ว่าพระสมณะโคโดมเป็นเตวิ ช, ชะผู้ได้วิ ช, ชาสามจึงจะเป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วชื่อว่าไม่กล่าวตูเราด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงแม้เหตุการณ์จะล่วงเลยมาแล้วถึง9กดกับ ก็ทรงระลึกได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปริพาชกวัชโคดได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคโดมเครือหัดบางคนที่ยังละสังโยชน์ของเครือหัดไม่ได้เมื่อตายไปย่อมทําที่สุดแห่งทุกข์ได้มีอยู่หรือไม่มีเลยวัชชะข้าแต่พระโคโดม ครือข่าบางคนที่ยังละสัโยชน์ของครืหัสไม่ได้เมื่อตายไปได้เข้าถึงโลกสวรรค์มีอยู่หรือมีวัดฉะไม่ใช่มีเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเท่านั้นโดยที่แท้มีมากทีเดียวข้าแต่พระโคโดมอาชีวกบางคนเมื่อตายไปจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ มีอยู่บ้างหรือไม่มีเลยวัดชะข้าแต่พระโคโดมก็อาชีวกบางคนเมื่อตายไปจะไปสวรรค์ได้มีอยู่บ้างหรือดูก่อนวัดชะนับตั้งแต่พัทธรกั์บนี้ไปได้9กอดกับที่เราระลึกได้นั้นเราไม่เคยรู้จักหรือได้เห็นอาชีวกผู้ใดที่ตายแล้วไปสวรรค์เลย นอกจากอาชีว์คนเดียวที่เป็นกรรมวาทีกิริยาวาทีข้าแต่พระโคดมเมื่อเป็นเช่นนั้นลัทธิของเดรัถีก็เป็นอันศูญแม้ที่สุดจากคุณในอันที่จะนำไปสู่สวรรค์นั่นีเป็นอย่างนั้นวัชระลัทธิของเดรัถีไม่มีคุณแม้แต่จะนำไปสู่สวรรค์ พระผู้มีพระภาคได้ตัดพุทธพจน์นี้แล้วปริพาชกวัชโคนก็ได้มีความยินดีชื่นชมพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าสัพพันญูก็คือต้องการจะรู้เรื่องอะไรเมื่อตั้งใจแล้วก็จะรู้ได้ทันทีข้อความที่กล่าวมานี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสาหน้าสองร้ ขอ240จากข้อความที่กล่าวมานี้จะให้ข้อคิดได้เป็นอย่างดีว่าคําว่าสัพพันญูหมายความว่าอย่างไรและเหตุไรพระพุทธองค์จึงได้เป็นสัพพันญูแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่อ่านแต่เพียงข้อความในที่นี้ไม่ได้ศึกษาถึงเรื่องอื่นๆประกอบก็ไม่อาจจะรู้แจ้งว่า สัพพันญูมีความหมายกว้างขวางแค่ไหนและแม้แต่ข้อความในพระสูวดนี้ถ้าไม่อธิบายก็ยากที่จะเข้าใจความหมายได้ถูกต้องฉะนั้นจำเป็นจะต้องอธิบายก่อนและควรจะได้พิจารณาดูจากคําบาลีด้วยจึงจะเข้าใจความหมายชัดเจนขอให้สังเกตคําว่าดูก่อนวัชชา เมื่อบุคคลพยากรณว่าพระสมณโคโดมเป็นเตวิชาจึงจะเป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วและอื่นๆและอีกตอนหนึ่งที่ว่าดูก่อนวัชชาเราเพียงแต่ต้องการเท่านั้นย่อมจ ะ, ะระลึกชาติได้เป็นต้นเราเพียงแต่ต้องการเท่านั้นย่อมจะเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติและอื่นๆ จากข้อความที่อ้างมานี้แสดงให้เห็นว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันยูนั้นก็พระเหตุที่ทรงได้อภิญยาเช่นสามารถรอารก ช, ชาติได้และสามารถที่จะมองเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติและปฏิสนธิได้ด้วยทิพยจักษุและสามารถทำกิเลสในสันดานให้หมดสิ้นไปได้ด้วย ซึ่งความสามารถที่ว่านี้เพียงแต่พระองค์ตั้งใจว่าจะให้เกิดเท่านั้นยานเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ต้องการจะระลึกชาติหรือไม่ตั้งใจจะดูหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังปฏิสนธิก็ระลึกไม่ได้มองเห็นหมู่สัตว์ดังที่กล่าวนั้นไม่ได้และขอให้สังเกตว่า ข้ออาสวัคค ย, ยานนั้นพระองค์ไม่ได้ใช้คําว่าเราเพียงแต่ต้องการเท่านั้นที่ไม่ใช่ก็เพราะการละกิเลสในสันดานเมื่อละได้แล้วกิเลสก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้อีกความบริสุทธิ์จากกิเลสจะมีอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาหลับเวลาตื่นส่วนยานข้ออื่นๆเช่น บุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปตาตญาณ น, นั้นไม่ใช่มีอยู่ตลอดเวลาญาณเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตั้งใจจะให้เกิดจึงจะเกิดฉะนั้นคำว่าสับพันญยูซึ่งหมายถึงว่าการที่จะรู้เรื่องราวต่างๆเช่นสามารถจะรู้ถึงอดีตชาติของใครก็ได้และรู้ได้ทันทีนั้น ก็ต่อเมื่อมีความประสงค์จะรู้เพราะเหตุนี้พระองค์จึงได้ตรัสว่าผู้ที่กล่าวว่าไม่ว่าจะเดินจะยืนจะหลับหรือจะตื่นพระองค์ก็สามารถที่จะรู้อะไรได้ทุกอย่างคือเป็นสัพพัญยูทุกขณะทุกอุรยาบทนั้นเป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้องเพราะความจริงพระองค์จะรู้อะไร ก็ต่อเมื่อต้องการจะรู้เท่านั้นถ้าไม่ต้องการก็ไม่รู้แต่ก็ขอให้สังเกตว่าย่านต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้รวดเร็วพอาประสงค์จะรู้ก็รู้ได้ทันทีอันหนึ่งข้อความต่อมาที่วัดฉะปริภาชกถามถึงเรื่องที่ว่าคฤหัส่าที่ยังละสังโยชน์ของเครือข่าไม่ได้ตายไปแล้ว จะสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์คือเป็นพา ร, าา ร, รอะอรหันต์ได้หรือไม่จะไปสวรรค์ได้หรือไม่ซึ่งคำตอบของพระองค์ในเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นสัพพันธ์อยู่อย่างหนึ่งและจงพิจารณาดูว่าถ้าพระองค์ทรงราลึกชาติไม่ได้ทิพยะจักษุยานก็ไม่ได้และกิเลสในสัณดานก็ยังไม่หมดสิ้นนั้น พรงจะสามารถตอบปัญหาที่วัดชะปริภาชกถามได้หรือไม่และการรู้การเห็นเช่นนี้โดยปกติคนอื่นๆจะทำได้หรือไม่หรือทำได้เพียงไรขอให้สังเกตข้อความอีกตอนหนึ่งที่กล่าวว่านับตั้งแต่พัทรกับนี้ไปได้9ก้าสิเวดกับที่เราลึกได้นั้นเราไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็นอาชีว์ผู้ใดตายแล้วไปสวรรค์ได้เลยนอกจากอาชีว์คนเดียวที่เป็นกรรมวาทีกิริยะวาทีกับหนึ่งก็คือนับตั้งแต่โลกเริ่มต้นมีสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งโลกพินาศปราศจากสิ่งมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งจึงจะนับว่ากับหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงสามารถที่จะระลึกความเป็นไปในอดีตชาติของใครๆก็ได้ซึ่งแม้จะระลึกย้อนหลังไปนับเป็นกับกับก็ทรงทําได้นี่คือความหมายของคําว่าสัพพัญยูอย่างหนึ่งอันหนึ่งขอเน้นให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญยูนั้นก็พระพระองค์ทรงได้อภิญญา ซึ่งในครั้งที่พระองค์ตรัสกับวัชระปริภาชกว่าได้วิชาสามนันเป็นเพียงตรัสโ ด, ดยย่อเท่านั้นเพราะความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงได้พิญญาทั้งหกซึ่งจะเห็นได้จากหลักฐานในพระสูตรดังต่อไปนี้โมฆาบุรุษจะไม่มีทางรู้ว่า พระพุทธเจ้าทรงมียาณทัศนะอันยิเสรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่ราวป่าด้านตะวันตกนอกพระนครเวสาลีก็ในสมัยนี้แลสุนัขขะตะลิชวีบุตรได้หลีกออกไปจากธรรมวิไยคือศึกจากพระไปไม่นานก็ไปเที่ยวพนธนากล่าวทวดพระผู้มีพระภาคเจ้า ในบริษัทต่างๆคือในชุมนุมชนต่างๆห น, นเมืองเวสาลีอย่างนี้ว่าญาณทัศนะอันวิเศษอันเป็นของพระอริยะเป็นธรรมที่สูงกว่ามนุษยธรรมของพระสมณโคดมไม่มีพระสมณโคดมแสดงธรรมตามที่นึกเดาเอาเองพิจารณาเอาเองตามปฏิพานของตน แต่ทำที่พระสมณโคโดมแสดงนั้นก็ทำให้ผู้ที่ทำตามพ้นทุกข์ได้พระสารีบุตรได้เข้าไปบินทบาทในเมืองเวสาลีไปได้ยินเรื่องที่สุนักขัตตานิชวีบุตรกล่าวฉะนั้นเมื่อกลับจากบินทบาทและฉันเสร็จแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและกลาบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสกับพระสารีบุตรว่าสุนัขขตาลิชวีบุตรกล่าวเช่นนั้นก็เพราะเขาเป็นโมฆะบุรุษคือไม่ได้บรรลุมรรคผลจึงไม่มียานที่จะอย่างรู้ว่าตถาคตมียานทัศนะอันวิเศษซึ่งเป็นธรรมที่สูงกว่ามนุษยธรรมและที่เขากล่าวเช่นนั้นก็เพราะความโกรธ คือสุนักขาตะลิชวีบุตรนี้ได้เข้าไปทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้ทิพยโพยสวแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนเพราะทรงเห็นว่าเขาไม่มีอุปนิสัยในทางนี้คือถึงจะสอนอย่างไรก็ปฏิบัติไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่ทรงสอนเขาโกรธก็เพราะเรื่องนี้จึงได้สึกออกไป ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ตรัสเช่นนี้แล้วจึงได้ตรัสกับพระสารีบุตรตอไปว่าดูก่อนสารีบุตรเพราะความเป็นโมฆะบุษษสุนัขขาตตะจึงไม่รู้ว่าตถาคตนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรนาะเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ตื่นเป็นผู้จำแนกธรรมข้พุทธเจ้าทรงได้อภิญยาหกดูก่อนสารีบุตรเพราะความเป็นโมคาบุษสุนัขขตะจึงไม่รู้ว่าตถฐาต น, นั้น สามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้มากมายหลายอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งคนเดียวทําให้เป็นหลายคนก็ได้เมื่อเป็นหลายคนแล้วทําให้เป็นคนเดียวอีกก็ได้หนึ่งจุดสที่มืดให้สว่างหรือทําที่ลี้ลับปิดบังให้เปิดเผยก็ได้ทําสิ่งที่ซ่อนเร้นซึ่งใครๆก็ไม่เห็น ทำให้คนทั้งหลายเห็นก็ได้หนึ่งาทำที่สว่างให้มืดทำการกำบังไม่ให้คนอื่นเห็นก็ได้หนึ่งเดินทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาไปโดยไม่ติดขัดเหมือนเดินผ่านไปในอากาศก็ได้หนึ่งดาดำลงไปในแผ่นดินแล้วโผล่ขึ้นมาจากแผ่นดิน เหมือนดำลงในน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาจากน้ำก็ได้ 1.6 เดินไปบนน้ำโดยไม่จมน้ำเหมือนเดินไปบนแผ่นดินก็ได้ 1.7 เห่าเหินเดินไปในอากาศเหมือนนกบินไปในอากาศก็ได้ 1.8 รูปคำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ 1.9 ไปพรหมโลกด้วยกายเนื้อหรือกายทิพก็ได้ดูก่อนสารีบุตรเพราะความที่เป็นโมฆะบุรุษสุนัขขัดตะจึงไม่รู้ว่าตถาคตนั้นฟังเสียงได้ทั้งสองอย่างคือทั้งเสียงทิพและเสียงมนุษย์จะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ได้ยินด้วยทิพยโสตรอันบริสุทธิ์ล่วงโสตรของมนุษย์ คือเกินกว่าวิสัยหูของมนุษย์ที่จะพึงได้ยินดูก่อนสารีบุตรเพราะความที่เป็นโมฆะบุรุษสุนัขขัดตะจึงไม่รู้ว่าตถาคตนั้นเมื่อกําหนดใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจของเราแล้วย่อมรู้ว่าสัตว์นี้บุคคลนี้จิตมีราคะหรือไม่มีราคะ คือเมื่อมีก็รู้ว่ามีเมื่อไม่มีก็รู้ว่าไม่มีจิตมีโทสะหรือไม่มีจิตมีโมหะหรือไม่มีจิตหดหูหรือไม่หดหูจิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านจิตถึงความเป็นใหญ่มหาคตังหรือไม่ถึงความเป็นใหญ่อมหาขตังเป็นสะอุตระจิตหรืออนุตตรจิต สาอุตรลังเป็นจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าอนุตตรังเป็นจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตหลุดพ้นแล้วหรือยังไม่หลุดพ้นข้อความที่อ้างมานี้มีอยู่ในมหาสีหานาถสูตรทศตรปปดกเล่มที่สิบสองหน้าร37สามสิบเจจากข้อความนี้แสดงให้เห็นว่านอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงได้วิชาสาม คือบุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคขยญาณดังที่ได้กล่าวมาแล้วพระองค์ยังทรงได้พิญญาอีกสามข้อคืออิทธิวิธิทิพยโสตเจโตปริญยาณยอีกด้วยและอพิญญาทั้งสมข้อนี้เมื่อพระองค์ประสงค์จะให้เกิดเมื่อไรก็เกิดได้ทันที เช่นเดียวกันกับอภิญญาสองข้อข้างต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งนี้ก็เพราะพระองค์เคยจัดไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเพียงแต่ต้องการเท่านั้นเราก็แสดงอิทธิวิธีได้หลายอย่างหลายประการเช่นคนเดียวทําให้เป็นหลายคนก็ได้เมื่อเป็นหลายคนแล้ว ทำให้เป็นคนเดียวอีกก็ได้อย่างนี้เป็นต้นข้อความต่อไปก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นจึงไม่กล่าวซ้ำพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันญูเพราะทรงมีทศพลยานเรื่องความเป็นสัพพันญูนอกจากที่อธิบายมาแล้วยังมีอีกหัวข้อหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่า สัพพัญยูนั้นมีความหมายอย่างไรและเกิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งหัวข้อที่ว่านี้คือเรื่องทศพลยานแปลว่ายานที่เป็นกำลังของทศฐาคตสิบอย่างซึ่งมีเรื่องกล่าวไว้ในคำภีดังนี้ดูก่อนสารีบุตรฐาคตประกอบด้วยกำลังเหล่าใดจึงได้ปฏิญญาอาสะพะฐานะ คือฐานะอันประเสริฐสูงสุดได้บลรอสี่หนาศในท่ำกลางบริษัททั้งหลายได้ยังพรหมจักให้เป็นไปได้กำลังของตถาคตเหล่านั้นมีสิบอย่างคือหนึ่งฐานาฐานะญาณตถาคตย่อมรู้ฐานะโดยความเป็นฐานะรู้อฐ า, านาโดยความเป็นอฐถนาะ คือรู้ว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้ 2. มีปากยานตถาคตย่อมรู้วิบากของกรรมมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริง 3. ส, สัพพัทธคามินีปฏิปทายานตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งปฏิปทา อันจะยังสัตว์ให้ไปสู่ภูมิทั้งปวงตามความเป็นจริง 4. นานาธาตุยานตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งโลกมีธาตุไม่ใช่อย่างเดียวแต้มีธาตุต่างๆตามความเป็นจริง 5. นานาณธิมุตติกายานตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์ทั้งหลายมีอาทิมุต เพ อ, อทายาศัยต่างๆกันตามความเป็นจริงคือใครมีอัธยาศัยอย่างไรรู้แจ้งหมดทุกอย่างตามความเป็นจริง 6. กอินทริยะปรูปริ ย, ตายาัตญาณตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความที่สัตว์และบุคคลทั้งหลายมีอินทรีย์ยิ่งและหย่อนตามความเป็นจริงคือใครจะมีอินทรีย์กล่าวคือศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญามากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็รู้ชัดตามความเป็นจริงเจ็ดชาณาที่สังกิเลสาธิยานตถาคตย่อมรู้ชัดซึ่งความเศร้าหมองสังกิเลสังความผ่องแพ้วโวทานังและความออกวุฒานังแห่งชาญวิโมกสมาธิ และสมาบัตทั้งหลายตามความเป็นจริงคือรู้ชัดว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้เข้าฌานเข้าสมาธิเข้าสมาบัตไม่ได้บรรลุวิโมกไม่ได้และทำอย่างไรจึงจะสามารถเข้าฌานเข้าสมาธิเข้าสมาบัตบตรรลุถึงวิโมกได้ง่ายและรวดเร็ว และจะออกจากฌานสมาชิสมาบัตได้ง่ายและรวดเร็ว 8. บุเพนิวาสานุสติยานท ถ, ถาคตย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างและอื่นๆข้อความต่อมาเหมือนกับที่เคยกล่าวมาแล้ว 9. จุตูปปตาตยาน ตถาคตย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติและอื่นๆสิบอาสวัคขย า, ยานตถาคตกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวีมุตปัญญาวีมุตอันหาอาสวะวิไดและอื่นๆดูก่อนสารีบุตรเพราะตถาคตมีกำลังสิบประการเหล่านี้แล จึงได้กล้าปฏิญญาอาสาพรฐานะบรรลือศีหานาจในถ้ำกลางบริษัททั้งหลายยังพรหมจักให้เป็นไปดูก่อนสารีบุตรผู้ใดแลพึงกล่าวถึงเราซึ่งเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่อย่างนี้ว่ายานทัศนะอันวิเศษซึ่งเป็นของภระริยาเป็นธรรมที่สูงกว่ามนุษยธรรมของพระสมณะโคดมไม่มี พระสมณะโคโดมแสดงธรรมตามที่นึกเดาเอาเองพิจารณาเอาเองตามปฏิภาณของตนดูก่อนสารีบุตรผู้นั้นถ้าไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละความคิดนั้นเสียไม่สลาคืนทิฏฐินั้นเสียก็เทีย่ยงแท้ที่จะไปนรกยะถาภตังนิจกิตโตเอวังนิระเย เปรียบเหมือนภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาย่อมหวังได้ว่าจะต้องได้บรรลุอรหัตในชาตินี้เองฉันใดผู้ที่เวละวาจาเช่นนั้นไม่ละความคิดเช่นนั้นไม่ละทิฏฐิเช่นนั้นก็ย่อมหวังได้ว่าเขาจะต้องไปนรกแน่ฉันนั้นจากมหาสีหนาถสูตร พระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันยูคำว่าสัพพันยูมีความหมายอย่างไรบ้างจากข้อความที่ได้อ้างมาจากพระสูตรต่างๆนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันยูก็เพราะพระพุทธเจ้าสามารถที่จะระลึกชาติได้สามารถมองเห็นมูสัตที่กาลังจุติและปฏิสนธิ สามารถทำให้กิเลสในสันดานหมดสิ้นไปได้ซึ่งข้อความที่ว่านี้มีอยู่ในจุลวัชโคตสูตรและขอให้สังเกตข้อความที่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงรู้อะไรก็ต่อเมื่อมีพระประสงค์จะรู้และรู้ได้ทันทีการที่กล่าวว่าพระสมณาโคโดมเป็นสัพพันยู่ทุกขณะนั้น เป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้องเพราะที่ถูกจริงๆนั้นคือพระสมณะโคดมจะรู้อะไรก็ต่อเมื่อต้องการจะรู้เรื่องไหนไม่ต้องการจะรู้ก็ไม่รู้และที่ว่าเมื่อต้องการจะรู้เรื่องไหนที่จะรู้และก็รู้ได้ทันทีด้วยนั้นก็เช่นเมื่อต้องการจะรู้อดีตชาติของใครๆก็รู้ได้ทันที เมื่อต้องการจะรู้ว่าคนนี้ตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนก็รู้ได้ทันทีซึ่งคำว่ารู้ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงรู้อย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงมองเห็นได้ด้วยขอให้จดจำสำนวนดังต่อไปนี้เอาไว้แล้วจะเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่าสัพพัญยูที่ว่ารู้ทุกอย่างนั้นคือรู้อะไร และรู้ได้อย่างไรดูก่อนวัชชาเราเพียงแต่ต้องการเท่านั้นเราก็จะระลึกชาติได้เป็นอันมากและอื่นๆดูก่อนวัชชาเราเพียงแต่ต้องการเท่านั้นเราก็จะเห็นมูสัตที่กําลังจุติกําลังปฏิสนธิและอื่นๆข้อความเหล่านี้ จะมีทุกหัวข้อในเรื่องอภิญญาห้าข้อคือในจุลวัชโคตรสูตรนี้มีกล่าวไว้สองข้อคือบุเพนิวาสานุสติยานกับจุตูปปาตายานส่วนในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบหกหน้าสองร้อยห้าสิบข้อห้าร้อยหกซึ่งกล่าวถึงเรื่องอิทธิวิธิทิพยโสตร เจโตปริยานก็มีํำนวนอย่างเดียวกันกล่าวคือเมื่อพระองค์มีพระประสงค์จะแสดงอิทธิปฏิหารอย่างไรก็ทำได้ทันทีหรือเมื่อมีพระประสงค์จะฟังเสียงอะไรจะเป็นเสียงมนุษย์หรือเสียงทิพย์จะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนก็ได้ยินทันทีหรือเมื่อต้องการจะรู้จิตใจของใคร ก็รู้ได้ทันทีซึ่งข้อความที่เป็นํำนวนบาลีจะมีเหมือนกันหมดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราเพียงแต่ต้องการเท่านั้นเราก็แสดงอิทธิวิธีได้หลายอย่างและอื่นๆเราเพียงแต่ต้องการเท่านั้นเราก็ได้ยินเสียงทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพด้วยโสตทาตอันเป็นทิพ และอื่นๆเราเพียงแต่ต้องการเท่านั้นเราก็กำหนดใจของสัตว์อื่นบุคคลอื่นด้วยใจของเราแล้วก็รู้ว่าจิตเขามีราคาหรือไม่และอื่นๆสำนวนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นสัพพันยูและอย่าลืมว่าอภิญญาห้าข้อดังที่กล่าวมานี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อมีพระประสงค์ ส่นอภิญญาอีกข้อคืออาสวัคขยายา น, นั้นสำนวนอย่างที่กล่าวว่าเราเพียงแต่ต้องการเท่านั้นเช่นนี้ไม่มีทั้งนี้ก็เพราะยาดข้อนี้เมื่อสำเร็จแล้วก็จะมีอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทั้งเวลาหลับเวลาตื่นอันหนึง่งในเรื่องทศพลยานทั้งสิบนั้นก็ขอพิจารณาให้ละเอียดด้วยว่า พระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถอย่างไรบ้างและที่ทรงรู้แจ้งอย่างนั้นเช่นทรงรู้ว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้หรือฐานาะฐานยายานทรงรู้แจ้งถึงวิบากของกรรมทุกอย่างว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายทํากรรมอย่างนี้แล้ววิบา ก, กรรมจะให้ผลอย่างไรหรือวิปากยานเป็นต้นนั้น เป็นเพราะพระองค์มีอภิญยาทั้งหกนั่นเองฉะนั้นจะต้องจำไว้ให้ดีว่าอภิญยาทั้งหกคือหลักใหญ่ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันยูอันหนึง่งเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าความเป็นสัพพันยูของพระพุทธเจ้า น, านั้นมีความหมายกว้างขวางแค่ไหนครอบคลุมไปถึงเรื่องอะไรบ้าง ก็ขอให้พิจารณาข้อความดังต่อไปนี้อีกพระองค์ตรัสยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้รู้ก่อนสารีบุตรตถาคตประกอบด้วยเวสาราชธรรมเหล่าใดจึงปฏิญญาฐานะของผู้เป็นโจก ค, คือปฏิญญาอาสาพาฐานะบรรลือศีอนาจในบริษัททั้งหลาย ยังพรหมจักให้เป็นไปเวสารัชธรรมเหล่านี้ของสถาตดีสี่อย่างคือหนึ่งเราไม่เห็นนิมิตอะไรอันจะเป็นเหตุให้สมณะพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆในโลกทักท่วงเราได้โดยชอบธรรมว่าท่านปฏิญาณตนว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ แต่ทำเหล่านี้ท่านยังไม่ตรัสรู้ 2. ท่านปฏิญญาตนว่าเป็นพระขีนาสมผู้มีอาสวะสิ้นแล้วแต่อาสวะเหล่านี้ของท่านยังไม่สิ้น 3. ท่านกล่าวทำเหล่าใดว่าทำอันตรายทำเหล่านั้นไม่อาจทำอันตรายแก่ผู้ที่ซ่องเสพได้จริง4 ท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใดประโยชน์อย่างนั้นไม่เป็นทางสิ้นทุกข์โดยชอบของบุคคลที่ทำตามดูก่อนสารีบุตรเมื่อไม่เห็นในมิตรอะไรอันจะเป็นเหตุให้สมณะพลามเทวดามารพรหรือใครใครในโลกทักท่วงเราได้โดยธรรมเราก็ถึงความเป็นผู้กเกษมถึงความไม่มีภัย ถึงความเป็นผู้กล้าอยู่ ก่นสารีบุตรบริษัทแปดจำพวกเหล่านี้คือขตติยะบริษัทพรหมณาบริษัทคฤหบดีบริษัทสมณะบริษัทจาตุมหาราชิกะบริษัทดาวดึงสบริษัทมาราบริษัทและพรหมะบริษัทดูก่อนสารีบุตรบริษัททั้ง8ดเหล่านี้ตถาคต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 เพราะเหตุนี้แลสารีบุตรเราจึงได้มีความเกษมถึงความไม่มีภัยถึงความเป็นผู้กล้ากล้าสารีบุตรตถาคตเคยเข้าไปหาเข้าไปอยู่ในหมู่พราหมนาบริษัทคฤหบดีบริษัทสมนานบริษัทจาตุมมหาราชิกะบริษัทดาวดึงสบริษัทมาระบริษัทพรหมมาบริษัท นับเป็นร้อยๆเราเคยนั่งใกล้เคยทักทายปราศัยเคยสนทนากันแต่เราก็ไม่เห็นนิมิตอะไรเลยซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเรามีความกลัวมีความสะทกสะทานเพราะเหตุนี้แลสารีบุตรเราจึงได้มีความกเกษมถึงความไม่มีภัยถึงความเป็นผู้แ ก, กล้าอยู่จากมหาสีรนาฏสูตร จากข้อความในพระสูตรนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าแม้จะเข้าไปอยู่ในบริษัทคือในชุมชนประเภทไหนๆก็ตามไม่เคยทรงมีความครั่นครามหรือความเกรงกลัวใดๆทั้งสิน้นขอให้สังเกตว่าบริษัทที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จเข้าไปนั้นไม่ใช่มีเฉพาะแต่ในหมู่มนุษย์เช่นขตติยะบริษัทหรือพรามณะบริษัทเท่านั้น แต่ยังมีพวกเทวดาชั้นต่างๆอีกด้วยเช่นพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชตลอดทั้งเทวดาชั้นพรหมอีกด้วยทั้งนี้เพราะอะไรพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงมีความคลั่นคร้มเลยเรื่องนี้เอาไว้ชี้แจงในฉบับหน้าคำว่าเวสารชธรรมตามศับท์แปลว่าธรรมะที่ทำให้ไม่คลั่นคล้ม ไม่เกรงกลัวไม่สะดุ้งไม่สะทกสะทานซึ่งธรรมะที่ว่านี้หมายถึงธรรมะสี่ข้อดังที่ได้กล่าวมาแล้วขอให้สังเกตให้ดีว่าจากธรรมะสี่ข้อที่พระองค์ตรัสไว้นั้นแสดงให้เห็นว่าการที่พระองค์ไม่ทรงครั่นคล้ามต่อใครๆเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นไหนๆนั้นก็เป็นเพราะหนึ่ง พระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะหรือเป็นสัพพันญูสองพระองค์ทรงละกิเลสในสันดานได้หมดสิน้นสาสสิ่งใดที่พระองค์ตรัสว่าเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสออกมานั้นพระองค์ได้ทรงรู้แจ้งจริงๆและรู้อย่างถูกต้องด้วยไม่มีผิดพลาดเลย ขอให้พยายามอ่านทบทวนข้อความที่พระองค์ตรัสไว้นี้หลายๆลยครั้งแล้วลองนึกเปรียบเทียบกับบรรดาบุคคลที่องค์อานกล้าหาญทั้งหลายดูก็จะเห็นได้ชัดว่าคนที่รู้อะไรจริงๆมีความสามารถเป็นยอดเยี่ยมมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูงและไม่มีการกระทาใดๆอันเป็นความบกพร่องหรือเป็นความเสียหาย หรือเป็นความทุจริตหรือเป็นสิ่งที่วินยูชนทั้งหลายเจ้าพึงติเตียนได้นั้นคนประเภทนี้ย่อมจะมีความองอาจมีความกล้าอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในหมู่คนประเภทไหนอยู่ต่อหน้าใครหรือจะให้แสดงอะไรจะเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนกล้าหาญชาญชัยไม่สะทกสทานไม่ประมาทไม่พร่านพึง ต่อบุคคลหรือเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นและยิ่งกว่านั้นคนธรรมดาโดยทั่วไปแม้จะเก่งกล้าสามารถอย่างไรก็ตามก็อดที่จะกลัวต่อความตายหรือกลัวต่อพยันตรายต่างๆอันจะทำให้ตนต้องตายไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะยังรับตัวเองยังไม่รู้แจ้งเรื่องตัวเองกิเลสในสันดานยังมี นันจึงอดกลัวไม่ได้ส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายจะไม่มีความกลัวในเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยฉะ น, นั้นขอให้สังเกตว่าการที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงครั่นคลามต่อสิ่งใดๆเลยนั้นนอกจากจะเป็นเพราะพรงทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นสัพพันธอยู่แล้วพระองค์ยังเป็นพระขีนาสม คือละกิเลสในสันดานได้หมดสิ้นอีกด้วยและนอกจากนี้จะเห็นได้ชัดอีกเรื่องหนึ่งกล่าวคือสิ่งใดที่พระองค์ตรัสสอนคนอื่นให้ทำอย่างไรพระองค์ก็ทรงทาสิ่งนั้นได้ทุกอย่างไม่ใช่สักแต่ว่าสอนคนอื่นได้แต่ตนเองทำไม่ได้คุณธรรมข้อนี้ของพระองค์ก็ทรงมีอย่างบริบูรณ์ และเพื่อจะให้เข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงใคร่จะขอนำหลักธรรมในเรื่องนี้ซึ่งพระองค์ได้ตัดไว้เองมาให้ศึกษาการอีกดังต่อไปนี้เวสารัชกรณธรรมหดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะเป็นเครื่องกระทมความเป็นผู้แกล้วกล้าแห่งภิกขุผู้เป็นเสขะหประการคือหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาสองเป็นผู้มีศีลสเป็นผู้หูสูตรสเป็นผู้ปรารบความเพียรหเป็นผู้มีปัญญาความคขั้นครามใดย่อมมีแก่ผู้ไม่มีศรัทธาผู้ไม่มีศีลผู้ได้ศึกษาน้อยผู้เกียจคร้านผู้มีปัญญาสามความขั้นครามนั้น ย่อมไม่มีแก่ผู้มีศรัทธาผู้มีศีลผู้เป็นผู้หูสูดผู้ปรารบความเพียรผู้มีปัญญาฉะนั้นธรรมะนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นเครื่องกระทำความเป็นผู้แกล้วกล้าแห่งภิกษุผู้เป็นเสขาจากอังคุตรนิกายปัญจกานิบาทขอให้สังเกตว่า เวสารัชกัลนธรรมห้าประการนี้เป็นคุณสมบัติของพระเสขะพระเสขะก็คือภริยาบุคคลตั้งแต่พระโสดาบัานขึ้นไปเว้นไว้แต่พระราหารันเพราะพระราหัน์เรียกว่าพระอเสขะเสขาแปลว่าผู้ยังต้องศึกษาอยู่อเสขาแปลว่าไม่ต้องศึกษาแล้ว เพราะเหตุที่คุณธรรมเหล่านี้เป็นของพระอริยะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้ละเอียดว่าการที่พระอริยบุคคลไม่มีความคลั่นคร้ามหรือเกรงกลัวต่อบุคคลใดๆหรือเหตุการณ์ใดๆนั้นเป็นเพราะท่านมีคุณธรรมเหล่านี้สมบูรณ์เช่นศรัทธาก็เป็นศรัทธาที่มั่นคง เป็นศรัทธาที่เข้าใจเหตุผลแจ่มแจ้งปราศจากความสงสัยหรือความลังเลใดๆทั้งสิ้นศีลก็บริบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องเลยเป็นศีลที่มีความบริสุทธิ์โดยสันดานและพูดถึงการศึกษาก็มีมากพอและเป็นผู้มีความเพียรความขยันอยู่เสมอความเกียจคร้านไม่มีเลย และข้อสุดท้ายที่ว่าเป็นผู้มีปัญญานานหมายถึงรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่รู้อย่างชิดที่ทำให้ได้ผลจริงๆคือทำให้ละตัณหาได้ขาดจริงทำให้เข้าถึงนิโรธคือความสงบภายในได้จริงพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นอย่าเข้าใจแต่เพียงผิวเผินว่าใครใครก็ตาม ถ้ามีคุณธรรมทั้งห้าประการนี้แล้วจะเป็นผู้กล้ากล้าไม่สะทกสะทานต่อบุคคลหรือต่อเหตุการณ์ใดๆซึ่งความเป็นจริงนั้นถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้ไม่บริบูรณ์แล้วความกลัวความสะทกสะทานจะต้องมีอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องนี้และเห็นแล้วว่า ขนาดพระริยาบุคคลขั้นต่ําเช่นพระโสดาบันก็ยังมีเวสารัชะคือความกล้าหาญฉะนั้นในเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าซึ่งมีคุณธรรมเหล่านี้สูงมากและยังทรงมีญาณอื่นๆอีกมากมายนั้นพระองค์จะต้องทรงมีความแกล้กลาหายิ่งกว่าใครๆทั้งหมดสมดังที่พระองค์ได้ตรัสกับพระสารีบุตรว่า ดูก่อนสารีบุตรบริษัทแปดอาพวกเหล่านี้คือขัตติยะบริษัทพรามณะบริษัทคารหาบดีบริษัทสมณะบริษัทจาตุมหาราชิกะบริษัทดาวดึงสบริษัทมาราบริษัทและพรมมะบริษัทดูก่อนสารีบุตรบริษัททั้ง8เหล่านี้ตถาคต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 ไม่มีแต่มนุษย์เช่นพวกกริย์หรือพวกคลามหรือพวกนักบวชทั้งหลายเท่านั้นแม้แต่ในจังพวกโอปะปะติกาทั้งหลายตั้งแต่ชั้นต่ำจนถึงชั้นสูงสุดคือพวกอกรณิตตพรมซึ่งเป็นพรมชั้นสูงสุดนั้นพระองค์ก็เคยเสด็จเข้าไปหามาแล้วและทุกบริษัทที่พระองค์ได้เสด็จไปนั้นพระองค์ย่อมทรงอยู่ในฐานะ ที่เป็นผู้ประเสริฐกว่าชนเหล่านั้นทั้งหมดคือประเสริฐกว่าในฐานะที่ทรงรู้อะไรมากกว่าใครๆทั้งหมดทรงมีความสามารถสูงกว่าใครๆทั้งหมดและทรงมีความบริสุทธิ์ยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดและทรงอยู่ในฐานะเป็นครูหรือเป็นศาสดาของใครๆได้ทั้งหมดสมกับในบทพุทธคุณที่กล่าวไว้ว่า ัตัทธาเทวมนุษย์สานางังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและอีกบทหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในคำพีธรรมบทว่ามคคานัดถังคิโกเศธโถสัจจานาังจตุโรปทาพิราโคเศธโถธรรมานางังทิปทานันจะจักขุมา บรรดาทางทั้งหลายทางซึ่งมีองค์แปดเป็นทางประเสริฐสุดบรรดาสัจจะทั้งหลายสัจจะซึ่งมีบทสี่คืออริยสัจสี่เป็นสัจจะประเสริฐสุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราฆธรรมคือนิพพานเป็นธรรมประเสริฐสุดบรรดาสัจสองเท่าทั้งหลายทัตถาโคดผู้มีดวงตาเป็นผู้ประเสริฐสุด อีกแห่งหนึ่งที่แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นสัพพันญูอ น, นึง่งหลักฐานที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพันญูนั้นนอกจากที่ได้แสดงมาแล้วยังมีอีกแห่งหนึ่งซึ่งพระองค์ได้ตัดกับอุปการชีวกดังนี้สัพาภิภูสัพ พ, พวิทูหมามัสมิสัพเพสุธรมเมสุอนูปริโต สัพพันชโหตันหักขเยวีมุตโตสยังอภินยายะกะมุตที่เสยยังนาเมอาจริโยอัตถิสาธิ ส, ธสวเมนวิชติสเทวกัสสมิงโลกัสสมิงนัตถิเมปฏิปุคโลอาหารหิอรหาโลเกอาหารสัทธาอนุตตโรเอกมหิสัมมาสัมพุทธโธ สีติภูโตสมินิภูโตธรรมะจักกลางประวัตเตตุงคัตฉามิกาสินังปุรังอันทภูตัสมิงโลกาสมิงอาหารยิงอมะตะทุนทุพินติเราเป็นผู้ครอบงำธรรม ท, ทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงอันตันหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาแล้วในธรรมทั้งปวงละธรรมอันเป็นไปในภูมิสามได้ทั้งหมด หลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาเมื่อเรารู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยตนเองแล้วจะพึงอ้างใครว่าเป็นอาจารย์ของเราได้เล่าอาจารย์ของเราไม่มีคนเช่นเราก็ไม่มีในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกบุคคลที่เสมอเหมือนกับเราก็ไม่มีเพราะเราเป็นพระราหันในโลกเราเป็นาศาสดา ที่จะห า, าศาสดาอื่นยิ่งกว่าเราไม่มีคือเป็นาศาสดาสูงสุดไม่มีาศาสดาอื่นใดเทียบได้เราเป็นผู้เดียวที่เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะเราเป็นผู้เยือกเย็นแล้วดับกิเลสได้แล้วเราจะไปบุรีแห่งแควนกาสีคือไปเมืองพารณาณสีอันเป็นเมืองหลวงของแควนกาสีเพื่อยังธรรมจักรให้เป็นไป เราจะตีกลองอามาตะในโลกอันมืดเพื่อให้สัตว์โลกได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้แล้วอุปกาชีวกก็ได้ทูลว่ายะถาโขตวังอุโสปฏิชานาสิอระหสิอนันตชิโนติดูกระะวุโสเมื่อท่านได้กล่าวยืนยันเช่นนั้นท่านก็ควรจะได้ชื่อว่า อนันตะชนะได้คือเป็นผู้ชนะอันหาที่สุดมิได้ครั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสอีกว่ามาทิสาเวชินาโหนติเยปัตตาอาสวัคยังชิตาเมปาปากาธรรมมาตาสมาหามุปากะชิโนติบุคคลเหล่าใดได้บรรลุถึงความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลายแล้ว บุคคลเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะเช่นเดียวกับเราดูกระระอุปกะบรรดาธรรมอลามกทั้งหลายเราชนะได้หมดแล้วฉะนั้นเราจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสเช่นนี้แล้วอุปกาชีวกจึงได้ทูลว่าอาจจะเป็นได้อย่างที่ท่านกล่าวแล้วก็สันทิสา ถือเอาอีกทางหลีกไปอันหนึ่งข้อความตอนสุดท้ายนี้โดยปกติสำนวนแปลไม่ค่อยจะเหมือนกันเช่นในพระไตรปิฎกแปลฉบับของกรมการศาสนานั้นท่านแปลอย่างนี้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอุปการชีวกทูลว่าเป็นให้พอเถิดพอ่อ ดังนี้แล้วสันสิสะถือเอาทางผิดเดินหลีกไปส่วนพระไตรปิฎกแปลฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้นแปลว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วอุปการชีวกทูลว่าพึงเป็นผู้ชนะเถิดท่านภูมีอายุดังนี้แล้วก้มศิษะลงแล้วแยกหลีกทางไป ขอให้สังเกตจากคําบาลีในพระไตรปิฎกซึ่งมีดังนี้เอวางวุเตอุปโกอาชีวโกฮูเอีวุโสติวัตวาสีสังโอกรมเปตวาอุ ม, มัคคังขเขาเฮตวาปากามิคําว่าฮูเอีวุโสนี้ในคำภีสมันตปภาษาธิกาซึ่งเป็นคำภีที่อธิบายพระไตรปิฎกตอนนี้นั้น ทา่าอธิบายไว้ดังนี้ผูเวยยาวุโสติอาวุโสเอวมปินามะพระเวยยสมันตะตามรูปประโยคนี้ถ้าแปลตามตัวก็ต้องแปลว่าผู้มีอายุพึงเป็นชื่อแม้อย่างนี้ได้ซึ่งหมายความว่าเมื่อพระพุทธเจ้ากล่าวยืนยันว่าทำอล า, ามกทั้งหลายพระองค์ทรงเอาชนะได้หมดจริง ก็ควรจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะได้ซึ่งเป็นคำพูดทานองไม่ค่อยจะแน่ใจพระอุปกาชีวกไม่ค่อยจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเป็นเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสและอีกสำนวนหนึ่งคือในคำภีธรรมบทภาคแปดเรื่องอุปกาชีวกนั้นท่านได้กล่าวไว้อีกอย่างไม่เหมือนกับในพระไตรปิฎกคือท่านกล่าวไว้อย่างนี้ ในที่สุดแห่งเทศนาอุปการชีวกไม่ได้ยินดีคือไม่แสดงว่าเห็นด้วยหรือแสดงความชื่นชมและก็ไม่ได้คัดค้านหรือปฏิเสธถ้าดำรัสของทัตถาคตแต่สันศีสะแล้วแลบลิ้นถือเอาทางซึ่งเดินได้คนเดียวหรือเดินไปตามรอยเท้าของคนคนเดียวไปยังที่อยู่ของนายพรานคนใดคนหนึ่ง เข้าใจว่าเป็นทางเดินในป่าสำหรับพวกนายพลไม่ใช่ทางตามปกติซึ่งใครๆก็เดินไปตามทางนี้เรื่องอุปการชีวกจากคำพีปฐมสมโพธิฉะนั้นก็ควรจะได้ศึกษ า, าไว้ด้วยซึ่งข้าพเจ้าจะขอคัดลอกมาให้ศึกษากันตั้งแต่ตอนต้นทีเดียวดังนี้และสมเด็จพระศาสดาจารย์ ทรงพิจารณาเห็นเหตุปณิสัยวาสนาพระโกนธัญญาชนีจึงจ ะ, สะเสด็จไปตรัสเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีมีพระโกนธัญญาเป็นประธานนั้นก่อนชนทั้งหลายอื่นๆแล้วก็ทรงทอดพระทิพยะจากสุยานแล ะ, สะแสวงหาพระปัญจวัคคีภิกษุทั้งห้าว่าบัดนี้สถิตอยู่ในที่ใด ก็ทรงเห็นแจ้งในพระญาณว่าสถิตยอยู่ในป่าอิสิปตนามรุกไทยวัรวิสัยใกล้เมืองพารณสีมหานครแล้วก็ทรงพระหนุศอนคำหนึ่งสืบไปว่าจำเดิมแต่ปฐมมโพธิ์มาได้เจ็ดวันแปดหนสิริเป็นห้าสิบหกวันทั้งวันนี้ยังเสศษอีกสามวันก็จะพอครบสองเดือน แล้ววันพรุ่งนี้เป็นวันจาตุทศีสุกปักอาสาลหามาตตถาคตจะไปสู่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันยอยู่ในแคว้นเมืองพารณสีครั้นราตรีนั้นล่วงไปพอเพลาพระทิตอุทัยที่ภากรโอภาสสมเด็จพระบรมครูก็ทรงจีวรแลบาทแล้วเสด็จพระพุทธดำเนิน ไปโคจรบินธบารในบ้านเสนานิคมได้พัฒตาหารทรงกระทาภารกิจเสร็จแล้วก็เสด็จพระพุทธนเดินไปโดยลำดับมรดสิบแปดโยชนปราถนาจะไปสู่อิสิปตนามะรุกทายวันแดนเมืองพารณสีแท้จริงทศพันยูพุทธเจ้าทั้งปวงในอดีตย่อมเสด็จไปโดยทางอากาศ ไปสู่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันแล้วตรัสเทศนาพระธรรมจักกับปวัตนาสูตรและสมเด็จพระบรมครูแห่งเราสเสด็จไปโดยทางปัทภีดลนั้นเหตุทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งอุปกาชีวกจึงทรงพระพุทธดำริว่าถ้าตถาคตจะไปทางอากาศอุปกาชีวกก็จะไม่พบปะกับตถาคต ตถาคตจะไปทางปัทภีจะได้พบกับอุปกาชีวกอุปกาชีวกจะได้เจรจากับตถาคตภายหลังจะบรรพชาในพระศาสนาและจะประโยชน์อันใดด้วยจะไปโดยอิธานุภาพทางอากาศนั้นเล่าถึงแม้แม้ว่าจะเด็ดเหนื่อยกายลำบากบาด ท, ทะยุค์ก็ยกไว้ แลตถาคตบำเพ็ญบารมีมาก็ปราถนาเพื่อจะทำซึ่งประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวงเมื่อทรงพระพุทธจินตนาดังนี้แล้วก็ย่างเหยียบแผ่นพื้นภูมิภาคด้วยฝ่าพระบาทยุคนอันพิจิตไปด้วยลายลักษ์อัดถุตละสตะมหามงคลทั้งร้อยแปดประการมีรอยจักรลักษณะเป็นอาทิทรงซึ่งบาทและจีวร บ่ายพระพักเฉพาะทิศเมืองพาราณสีเปล่งพระฉับ พ, พันลังสีทั้งหกประการโอพ า, แพพาสแผ่ไพศาลไปในพระนาสนประเทศเป็นช่อช่วงน้อยใหญ่แล่นไปสัมผัสกับอเนกพนัทพึกษราดาชาติแลพิราชเล่ประดับด้วยสัตตรรัตนโอราณเหมือนดุดอุโคโสนาการขานเหตุแห่งพุทธภูระบัติ ประกาศแก่โลกทั้งปวงให้รู้ทั่วกันแพรพื้นพระสุธาดลซึ่งรองรับพระบาทยุคนนั้นก็รุ่งเรืองรุร่ิโรภาดคารุวนาดุดดาดเรี่ยเรียไปด้วยดวงดอกกุสุมลชาติทั้งหลายมีประการต่างๆมิฉะนั้นอย่างประหนึ่งว่าย้อมไปด้วยน้ําแก้วประพานอันหลอมเหลวคว้างแล้วโรสเรี่ยรายลงไว้ แลมาเลือกคัจุตบาททั้งหลายมีประเภคน้อยใหญ่ได้ทัศนาพระมหามูนินพาราชก็ปราศจากจิตมานากระด้างต่างต่า ง, ต, างตั้งตาชมเลงแลพระบร ม, มสุริรูปที่สวงไม่ได้วางตาฝูงวิหกปักษาอานบินร่อนอยู่บนอากาศก็ชวนกันเลงแลดูพระสิริวิราชแนดยิ่งอยู่กับที่ ไม่ได้เร่ร่อนไปในที่อื่นครุวนาดุดรูปปักษาอันนายช่างฉลาดแกล้งวาดไว้มูภุมราเพื่อผู้ทั้งหลายก็ลืมเชยชายครึงเอารถเรณูบุภาชาติชวนก็หลงชมพระอุดมสิริวิราชแห่งพระทศพลยานทั้งวาตาก็รำเพยผ่านพัดเรณูสับพระกูสมสาวะคน ลนลงเรี่ยายในสถนวิถีทางเสด็จพระพุทธดำเนินอย่างพระหนึ่งว่าจะกระทรรมสักการะบูชาฝ่ายอุปกาชีวกเดินมาโดยทุราคมวิถีทางไกลวางขยาประเทศเขตเมืองราชครืกับมหาโพธิต่อกันแลเห็นภัยสนสถานอันโอลานภัยโรธพันาราย ด้วยขายพระฉับ พ, พิธภัณ์รังสีโสภลวิราชปรากฏโดยที่วาทศนาการทั้งพสุธาและอากาศโอภาษด้วยพระราศีมีพันแห่งละหกอย่างทั่วทั้งทิศล่างและทิศบนมาสัมผัสกายตนประหลาดมหัศจรรย์ไม่เคยได้พบเห็นเป็นเช่นนี้มาแต่ก่อนถ้าจะเป็นเพลิง ชนไหนกายอาตมาจึงไม่ร้อนกระวนกระวายถ้าจะเป็นน้ำาชนไหนกายอาตมาจึงไม่ชุ่มชื้นเย็นนี่จะเป็นสิ่งอันใดยิ่งสงสัยสนเทจิตจึงเพ่งพิดไปข้างนวนข้างนี้ก็เห็นองค์พระผู้ทรงสวัสดิสภาคสเสด็จบทจรมารุ่งเรืองด้วยพระสิริฉับพิธะมหาทวัดติงสะบุรุษลักษณะ แลพระพยามาประพาโอพาดเบื้องบนพระอุตรตมังคาซิเลราล่าก็ช่วงโชดด้วยพระเกตมาลาครุวนาดุจทองทั้งแท่งประดับด้วยฉับพันรังสีแสงไพรรด จ, จำรัดทรงสบงจีวอนล้วนมีพันอันแดงดุจแสงพระอาทิตอันอุทัยเหนือยอดยุคนทรบันพด ดูดวงพระพักก็ผ่องใสสุขสดเสมอดวงดอกโกมุตรบริสุทธิ์สิริวิลาชจึงดำริว่าดังอาตมะปริวิตบุคคลผู้นี้จะเป็นมนุษย์หรือจึงมีจีวร อ, อันทรงงามยิ่งนักหรือจะเป็นเทพพยาดาถ้าเป็นเทพพยาดาก็จะไม่ทรงภูษามีพันอันแดงโอภาษจะไม่ทรงบาทอย่างนี้ นี่ก็มีจีวรประดับพระกายานี่จะไม่ใช่เทพ ย, ายดาชรอยจะเป็นมนุษย์โดยแท้แต่มีรูปสิริสุภาพยิ่งคิดก็ยิ่งมากไปด้วยปีติปราโมทย์ยินดีมีโลมาชาติสยดสยองทั่วสกลกายาพลางจินตนาว่าผู้นี้ใครหนอจึงโอดมรังสีรุ่งโรโชตนาการ ปานประหนึ่งว่าฉัดกลางกั้นในเบื้องบนโสพลไพยรดดังนี้ยิ่งมีจิตคิดคารวะยำเกรงถะเดชพระคุณแห่งสมเด็จพระสัพพันยูจึงบททจรเข้าไปสู่ที่ใกล้แล้วก็เจรจาปลาสัยทักถามว่าดูกระระอาวุโสอันว่ากายนสีของท่านนี้งามพร้อมบริสุทธิ์ เววันก็ผ่องผุดพิราชปราศจากราคีท่านนี้มีนามชื่อใดบรรพชาเฉพาะสำนักผู้ใดใครเป็นครูของท่านได้เล่าเรียนธรรมในสำนักอาจารย์ผู้ใดจงแจ้งแก่อาตมาในลำดับนั้นพระควันตามุนีมีพระกมปลปราถนาจาักแสดงเหตุซึ่งภาวะแห่งพระองค์ เป็นครูแห่งหมู่อมรมนุษยนิกรสัตวโลกทั้งปวงแกอุปการชีวกให้แจ้งก็เปลงออกซึ่งพระสุรเสียงอันไพเราะกร อ, กอบด้วยองค์แปดประการปานประดุษเสียงแห่งเท้ามหาพรมมีพระพุทธดีกาดำรัดโดยสารพระคาถาแกอุปการชีวกว่าสัพาพิภูสัพพวิทูหมัสมิเป็นอาธิ อาธิบายความว่าดูราอาชีวกตถาคตนี้มีกระบวนสันดานไม่ได้ติดระคนอยู่ในกิเลสธรรมทั้งปวงละเสียได้ซึ่งกองบาปประทรมทั้งสิ้นแล้วศูนย์ซึ่งตันหาอุปาทานและครอบงามเสียซึ่งสรรพศัส ท, ทั้งหลายในตรายพบตัดสรู้จบในสรรพยายธรรมด้วยพระองค์เอง ดังรือจะบันประชาะเฉพาะสำนักผู้ใดเล่าแลครูอาจารย์ของตถาคตมิได้มีตถาคตนี้ประดับด้วยทศอรหาที่คุณอดุลยเลิศดโลกแต่ผู้เดียวตสัสลูซึ่งพระสัพพัญยุตยานโดยอาการอันชอบมิได้วิปริตบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งทั่วทั้งทิศในมนุษยโลกกับทั้งเทวโลก จกประเสริฐเปรียบเสมอด้วยตถาคตไม่ได้มีและตะถาคตนี้มีสันดานอันเย็นทำ ง, งับดับแล้วซึ่งกิเลสาดูนเดือดร้อนบัดนี้จะบทจอดไปสู่แว่นแคว้นกาลิงคารัชพระสงฆ์จะแสดงพระธรรมจากเทศนาจะตีอมะตะเพรีให้เบลือ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 รูปก็งามเสียงก็เพราะหาผู้จะเสมอไมิได้ก็มีจิตเลื่อมใสสมนัะยินดีจึงกล่าววาจา ว, วา่าข้าแต่อวุโสท่านกล่าวปฏิญาณตนว่ากอบด้วยคุณดังนี้เข้าพเจ้าก็เห็นจริงด้วยแล้วควรที่ท่านจะได้นามว่าอนันตชินะพระจนเสียซึ่งมารทั้งหลายจะนับประมาณมิได้ให้พ่ายแพ้ เมื่อสมเด็จพระสัพพันยูได้ทรงสดับคำอาชีวกกล่าวดังนั้นพระฤาษไทยปรารถนาจะประทับซึ่งวาจาแห่งอาชีวกให้มั่นด้วยตรากล่าวคือทักษาพุทธอุทานปานประหนึ่งตราแห่งพญาธรร ม, มิกราชอันตีประทับลงในดินอันประจําพนึกพระราชสารก็มีพุทธบันหาร โดยสารปพระกาถาว่ามาทิสาวะชินาโหนติเป็นอาทิอถาธิบายความว่าดูรานะอาชีวกบุคคลทั้งหลายใดที่ถึงซึ่งอาสวะไขาในโลกนี้แหลบุคคลทั้งหลายนั้นจะได้ผชนชนะสัตว์โลกสิ้นทั้งปวงเหมือนดุดตถาคตไม่ได้มีตถาคตนี้ พระนสัพพสัตวโลกและกองกิเลสบาปธรรมทั้งหลายทั้งสิน้นเหตุดังนั้นสมควรจะได้นามบัญญัติว่าอนันตชินะดุดคำท่านเจรจาเป็นแท้เมือ่อุปกาชีวกได้สะดับพระพุทธดีกาก็ตอบว่าข้าแต่วุโสจริงดังนั้นแล้วก็สัรทิสะกล่าวพระคุณานุภาพ หลีกไปจากมกคานั้นบทจรไปหุ้นทางอื่นสมเด็จพระบร ม, มครูมีพระพุทธดีกาตรัดกับอุปกาชีวกเท่านั้นพอเป็นอุปริสัยในเบื้องหน้าแล้วก็เสด็จพระพุทธดำเนินในมกคาโดยอนุกรมลำดับพอสาญหาเวลาก็บรรลุถึงป่าอิสิปตนะมรุกทายวัน